ต้องเรียนติดต่อกันหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าระดับอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> คงจะนะไ ป, ไปอ่านมาก่อนด้วยนี่นะฮะแล้วก็มาฟังก็ ก, ก, ก, ก, ก็ไม่ไม่อยากเกินไปเล่มนี้นะครับแล้วก็หายากด้วยเผื่อท่านอยากได้ก็กรุณานําไปถ่ายเอกสารนะฮะเล่มหนึ่งก็ไม่กี่สตังค์นะ ถ่ายไว้บ้างก็มีใช่ไหมติดต่อติดต่อได้ที่ใครยังเหอหลายเ่เล แ, แล้ว uh, ท่านที่ต้องการจวจมนปแปลก็ติดต่อพระเกธนัตนะท่านมีหนังสือส่วนบนแป ล, แลทับบ้งวัดเช้าทั้งวัดเย็ น, นเอาไปถ่ายเอกสารก็ได้ครับพระกธ น, นัตนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ใครอยากได้นะครับ นะครับเนี่ยติดต่อกับผู้การทั้นนะั้นเนี่ยอ๋อวัดบัดกิง ช่วงนี้เรียนจิตวิภาคนะจิตตะก็คือจิตวิภาคก็แปลว่าการจำแนกเนี่ยนะนะจิตวิภาคก็คือการจำแนกจิตโดยประการต่างๆทบทวนนะว่าคำว่าจิตแปลว่าจิตตะนะความหมายของจิตเพราะอาจถาว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยนะนะ วิสยะวิชานันลนักษณงคือรู้อารมณ์เป็นลักษณะถ้าพูดโดยปัจจัยหน่อยก็อารมณ์อารมณ์ทางภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยนะไม่เหมือนกันถ้าอารมณ์แบบบาลีเนี่ยเป็นคำพูดตรงๆเลยว่าสิ่งที่ทสิ่งที่จิตรับรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์แต่คำพูดแบบไทยเรียกพูดแบบอุปจาระพูดแบบอ้อม คำว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีแปลว่าจิตของเขาไม่ค่อยดีซึ่งหมายถึงตัวจิตนะเขาแต่เขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ดีแปลว่าสุขภาพจิตตอนนั้นเขาไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าพูดแบบอุปจาระคือคําพูดเนี่ยมีสองอย่างพูดแบบมุคคยะคือพูดตรงๆอย่างหนึ่งกับอุปจาระเขาเรียกว่าพูดโดยอ้อมแต่รู้กันอย่างนั้นเถ อ, อะจิตซึ่งธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยนะถ้าแบ่งก็แบ่งออกเป็น สกลุ่มอย่างที่เรียนนะคืออโสโณจิตกับโผณจิตอโสโณ น, นี้แปลว่าจิตที่ไม่มีโสผณเจตสิกประกอบนั่นเองส่วนโสผณจิตหมายถึงจิตที่มีโสผณเจตสิกประกอบอคําว่าประกอบในที่นี้ก็คือเอาปัจจัยนั่นแหละเข้ามาเกี่ยวข้องนะจำแนกจิตเหล่านี้ตามปัจจัย เช่นว่าถ้าปัจจัยที่ว่าหมายถึงเจตสิกถ้าอกุศลเจตสิกประกอบกับจิตใดจิตนั้นเรียกว่าอโศภณะถ้ากุสนลเจตสิกประกอบกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นเรียกว่าโสภณนะอะทีนี้อโศภณะจิตเนี่ยแบ่งออกเป็นสามอาขอไปแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็น อกุศลจิตกับอาเหตุกจิตเนี่ยนะอากุศลจิตแปลว่าจิตที่มีโทษตัวจิตเองเนี่ยมีโทษและให้วิบากเป็นทุกขต่อไปข้างหน้าส่วนอาเหตุตุกจิตแปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุประกอบอากุศลจิตก็จําแนกตามรากเง่าจําแนกตามมูลนะว่ารากเง่าว่า ถ้าโลภะเจตสิกอ่ขอโลภะมู ล, ลจิตแปลว่าจิตที่มีโลภะเป็นมูลเป็นเหตุส่วนโทสะมู ล, ลจิตหมายถึงจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นมูลเป็นรากโมหะเจตสิกเอ่อโมหะมู ล, ลจิตหมายถึงจิตที่มีโมหะนี่เป็นมูลเป็นราก เพราะฉะนั้นอากุศลจิตถ้าแบ่งย่อๆมาก็เป็น3คือโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิ ต, จตแต่ถ้าเอาธรรมะที่มาจำแนกคือโดยเวทนาเนี่ยนะโดยสัมปโยคะและก็โดยสังขารมาแจกเนี่ยนะ โลพาี้มีเวทนาได้สองอย่างคือโสมนัสเวทนาอย่างหนึ่งกับอุเบกขาเวทนาแล้วโลพานั้นสามารถประกอบกับทิฏฐิเนี่ยนะเขาเรียกว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตเนี่ยนะคือทิฏฐิคตะสัมปยุตกับทิฏฐิคตะ วิปทยุตย์ก็เอาปัจจัยนั่นแหละสัมปยุตแปลว่าประกอบวิปทยุตแปลว่าไม่ประกอบแล้วสังขารก็แบ่งเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกสองยกกําลังสามใช่ไหมจะเป็นเท่าไหร่สองยกกําลังสามก็เป็นแปดอันนี้สองยกกําลังสามอันนี้ ถ้าโทสะมูลจิตก็วิธีแบ่งก็จะแบ่งในยะเดียวกันโดยเวทนาเป็นโทมนัสเวทนาโดยสัมปโยคาก็คือปฏิฆะอาสังขารกับสสังขารก็เท่ากับโทสะมูลจิตนี่สองดวงถ้าโมหะนี่ก็เวทนานี่เป็นอุเบกขาอย่างเดียวนะสัมปโยคาก็คือ อุทจจะอย่างหนึ่งและวิจิกิจชาส่วนสัมปโยค้านี้อขออภยัยส่วนโดยสังขารท่านไม่นับแต่อาจารย์รุ่นหลังท่านสงเคราอเป็นอสังขาริกเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น2เลยเรียกว่าอกุศลจิต12เนี่ยจริงก็เราเรียนมาแล้วนะอันนี้ทบทวนให้ดูเฉยเฉเนี่ยนะว่ามันเป็น12ได้ยังไงเนี่ยนะ มาจากค่อยๆไล่ลำดับมาเป็นยังไงนั่นในอากุศลจิตสิบสนี้มีใครอยากต้องทราบอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีก็ผ่าน ส่วนอาเหตุตุกัจิตนี่แปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุหเกิดร่วมด้วยเลยคาว่าเหตุ6กคือโลภะโทสะโมหะโลภะอโทสะอโมหะไม่เกิดร่วมในจิตใดจิตนั้นเรียกว่าอาเหตุกัจิตซึ่งแบ่งเป็น3สามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มอกุศลวิบากเนี่ยนะมีอยู่7อย่างแล้วก็กลุ่มอเหตุตุกะกุศลวิบาก เนี่ยนะมันต่างคือกุศลเนี่ยผลของกุศลเนี่ยแบ่งออกเป็นที่เป็นสะเหตุกะกับเป็นอะเฮตุกะถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุก็เลยเรียกว่าอาเหตุกะกุศลวิบากซึ่งมีอยู่ 8. แปดกอะเฮตุกะกิริยาอีกสเนี่ยนะก็รวมเป็นอะเฮตุกะจิต18 การเรียนอาเหตุตุกจิตนี้ชาชักกระสูตรนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญมากที่จะทำให้เข้าใจอาเหตุตุกจิตดีเนี่ยนะซึ่งตามหลักของชาชักกสะสูเนี่ขึ้นด้วยหนึ่งทวารก่อนสองอารมณ์แล้วก็จัดต่อมาด้วยวิญญาณหรือจิตเนี่ยนะ ย้อนมาหาอกุศลวิบาก7ก่อนนะอกุศลวิบาก7นั้นประกอบต้องไล่ตามทวารก่อนเนี่ยนะจิตที่เกิดทวารตาเรียกว่าจักขูวิญญาณนะจิตที่อาศ OH ัยจักขูวัตถุเกิดเรียกว่าจักขูวิญญาณอาศัยโสตะวัตถุเกิดเรียกว่าโสตะวิญญาณอาศัยคานะวัตถุเกิดเรียกว่าคานะวิญญาณอาศัยชิวหาวัตถุเกิดเรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยกายะวัตถุเกิดเรียกว่ากายยะวิญญาณก็5 นี่หดวงแล้วจิตที่รับอารมณ์ต่อจากจิตหดวงนี้เรียกว่าสัมปติชนะจิตจิตที่พิจารณาอารมณ์เนี่ยนะที่เรียกว่าไต่สวนอารมณ์อะ่ะต่อจากสัมปติชนะจิตเรียกว่าสันติรณะจิต5้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นอกุศลวิบาก7ดวงเดีย น, นะนี้ถ้าจะเข้าใจชัดไอห้ดวงที่ว่าก็คือชั้นแรกก่อนนะ อาวานก็คืออาศาัยจักขู่กับรูปเกิดวิญญาณ น, นั้นเรียกว่าที่หนึ่งนะจักขู่วิญญาณต่อจากจักขู่วิญญาณจิตที่เกิดตามมาเรียกว่าสัมปติชนะจิตที่เกิดต่อจากสัมปติชนะเรียกว่าสันติรณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทวานตาเนี่ยอกุศลวิบากสามารถเกิดได้สมดวงเนี่ยนะ ทวารหูอกุศลวิบากก็เกิดได้สามดวงเช่นอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเรียกว่าผัสนสะโสตวิญญาณเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยเนี่ยนะสัมปติชนะเป็นปัจจัยแก่สันติรณนะทวารจมูกอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคาณนะวิญญาณ เหมือนกันอาศัยลิ้นกับรถเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธาภาเกิดกายวิญญาณแล้วก็ต่อด้วยสัมปติชนะสันติรณะนะแบบนี้ทีนี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าจิตเหล่านี้เป็นอกุศลวิบากอัน น, นืรู้ได้ยังไงเพราะว่าทวานนะเช่นของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทวานเป็นกุศ ล, ลวิบากนะเออขอไปเป็นกุศลกรรมมชรูปหมายถึงว่า เป็นรูปที่เกิดจากกุศลมนุษย์นั้นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เกิดจากกุศลทวาร น, นี้เป็นกุศลทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตรู้รสจิตที่รับอารมณ์ต่อจากจิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นอกุศลวิบากที่เป็นผลของอกุศลรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้จากอารมณ์เพราะอารมณ์นั้นเป็นอนิจฐารมณ์ อันนี้ถารมณ์นีแ้แปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนยนะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือโดยปกติทั่วๆไปใครก็ไม่อยากเห็นอารมณ์ชนิดนั้นนะเอาว่าแบบธรรมดานะเช่นเห็นภาพที่ไม่ดีสีที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะเสียงที่ไม่น่าปรารถนากลิ่นรสโพธิภะ ท, ที่ไม่น่าปรารถนาพวกนั้นแหละบอกว่าจิตที่มารับรู้อารมณ์แบบนั้นเป็นอกุศลวิบากเนี่ยนะ ทีนี้อารมณ์นั้นอ่ะอาจจะอยู่ภายในร่างกายของตัวเองก็ได้อาจจะอยู่ภายนอกร่างกายของตัวเองก็ได้เดี๋ยนะแต่ถ้ากล่าวว่าจิตทั้งสามดวงนี้เป็นอกุศลวิบากเราก็ต้องมาคิดว่าอากุศลสิบสองนั่นแหละเป็นเหตุให้อกุศลวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นเียนะทีนี้สิ่งที่ควรเข้าใจเพิ่มเติมอีกหน่อยว่า จิตที่เรียกว่าสันตีรณะจิตที่เป็นผลของอกุศลวิบากนั้น่ะขอที่เป็นผลของอกุศลและจิตนั้นทำกิจห้าอย่างคือสามารถทำเหตุห้าอย่างเหตุ5้าอย่างนั้นก็คือหนึ่งปฏิสนธิปฏิสนธิคือเกิดในอบายส 2. เนี่ยนะหลังจากปฏิสนธิก็พวาง สิ้นสุดของภพนั้นเลยก็เรียกว่าจุติเนี่ยนะโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะถ้าจิตรับอารมณ์จะต่อด้วยโวทัพณะชาวณะเป็นต้นแล้วก็จะมีจิตที่เรียกว่าต่ทารมณะเกิดต่อจากชาวณะเนี่ยนะสรุปว่าอุเบกขาสันติระณะทรรมกิจห้าอย่างหนึ่งปฏิสนธิสองวังสามจุติสี่สันติระณะห้า ตาธารัมณะตาธาตาต า, ตาละัม ะ, ะคือรับอารมณ์ต่อจากชาวณเนี่ยนะเพราะนี่คืออกุศลวิบาิเราจะเข้าใจกิจชัดเจนอีกครั้งหนึ่งที่เราเรียนปรเชษสามเนี่ยนะกิจสังหะอยู่ในปรเชษสามอันนี้ก็ทบทวนทบทวนอาทิตย์ที่แล้วนะวขออภัยทบทวนเสาที่แล้วเท่านั้นเองนะ ยังไม่ได้กล่าวเพิ่มเติมอะไรเลยนี่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมที่จะมาทำให้เกิดจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติระณะหรือว่ามาทากิจพวังปฏิสนทิพวังจุติตาลามะณะเนี่ยนะอะกุศลเหล่านั้นก็มาแบ่งตามอำนาจของกรรมเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเรื่องกรรมกรรมนั้นถ้าจะกล่าวโดยโย่อที่สุดเลยนะหนึ่ง คือทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลได้ในปัจจุบัน น, นะอากุศลในชาตินี้นะคืออากุศล12ที่ทำในชาตินี้สามารถให้ผลในปัจจุบันได้เฉพาะตรงๆนะที่เป็นวิบาก ค, คือปัญจวิญญาณจากักขูโซตค า, านะชิวหากายาวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะและตถารมณนะอันนี้นี้เป็นผลของกรรมในชาตินี้นะ เช่นมนุษย์ทมอกุศลจะให้วิบากได้เท่านี้แต่ถ้าชาติหน้าสมมุติว่าตัวนี้สมมุติว่าครบกรรมบทคือล่วงกรรมาบทล่วงทุจริตกรรมเนี่ยนะทั้งกายยุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็นำปฏิสนธิในอบายสีเนี่ยนะจิตที่รักษาพบเอาไว้ทั้งหมดในอบายสี่เรียกว่าภวังแล้วก็จุติจากอบายก็เป็น จุติเนี่ยนะคือเคลื่อนไปจากอบายเห็นไพอจุติเสร็จนะโดยมากจากอบายไปที่ไหนต่อก็วนไปหาอบายใหม่เห็นรวังวังขจิตเนี่ยเป็นเป็นผลของกรรมในปัจจุบันออืมพระวังขจิตเป็นผลของกรรมในอดีตทั้งหมดจิตชาติวิบากถือว่าเป็นผลของอกุศลในอดีตหมดเลยจิตชาติวิบากนะเอ่อ ปัจจัยทั้งหมดมีอยู่24ปัจจัยตัวปัจจัยนะหลักๆมีอยู่24ปัจจัยถ้ากล่าวโดยกรร ม, มปัจจัยที่เป็นนานักขัตขนิกกรรมจิตชาติวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตทั้งหมดคําว่าอดีตเนี่ยอดีตเจวันก็ได้อดีตปีสองปีก็ได้หรือ10ปีหรือชาติที่แล้วก่อนๆนู้นก็ได้ทั้งนั้นะอันนี้กล่าวโดย น, นานักขันิกกรรมแต่จิตชาติวิบากเหล่านี้เกิดโดยที่ไม่อาศัยทวารได้ไหมไม่ได้ จิตเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเว้นอารมณ์ได้ไหมไม่ได้จิตเหล่านี้เว้นมานสิการได้ไหมไม่ได้จิตเหล่านี้ยังใสปักรตูใกล้ๆอีกเช่นถ้าจิตเห็นเนี่ยถ้าขาดแสงสว่างจะเห็นได้ไหมไม่ได้ถ้าเสียงเนี่ยนะจิตได้ยินเนี่ยถ้าไม่มีช่องว่างไม่มีอากาศนี่จะได้ยินได้ไหมไม่ได้ถ้าทวานกลิ่นนะขออภัยทวานจมูกเนี่ยถ้าไม่มีกลิ่นนามาไม่มีลมนามานะ จะรู้ได้ไหมไม่ได้ทวารลิ้นถ้าไม่มีน้ําที่มาละลายให้รู้รสเนี่ยนะไม่มีอาโปธาตุคือน้ำเนี่ยจะรู้รสไหมไม่รู้ทวารกายถ้าไม่มีปฐวีนะีไม่มีไอไอความแข็งอยู่ในนั้นเลยเนะี่ยจะรับกระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ปกะตูอันนั้นเนี่ยสำคัญเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เรากล่าวเฉพาะในจํานวน24ปจัจจัยเรายกนา น, นักขะคือกกรรมมาปัจจัยมาหนึ่งอย่างแต่การพิจารณาก็ไม่พิจารณาอย่างเดียวอยู่แล้ว ถ้ากล่าวโดยกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลของอกุศลกรรมแต่กล่าวแบบสมัยใหม่นะเขาเขาก็พูดเขาจะพูดแบบสิ่งที่เห็นเห็นอยู่นะเขาโทษอะไรสมมตินะอย่างตื่นเช้ามารถขนขยะมาขนไปต่อหน้ากลิ่นนี่ก็เหม็นสีก็ใหม่ดีเสียงก็แมสฟังแล้วไม่เพราะเอาเลยกลิ่นก็ไม่ดีเนี่ยนะปกติเราจะโทษอะไรไมเมื่อเมื่อไออกุศลวิบากเราเกิดขึ้นนะเช่น เห็นสีไม่ดีฟังเสียงไม่เพราะกลิ่นก็ไม่ดีเนี่ยนะที่เกิดในจากขูวิญญาณโสตคานะวิญญาณของเราเนี่ยแล้วรับอารมณ์ต่อมานคนปกติทั่วๆไปเขาจะโทษรถขยะเก็บไม่รู้เวลาเลยแบบนั้นเทศบาลเดือดร้อนนะเทศบาลเสียเลยแต่ไม่คิดวันนี้นะนี่ถ้าฉันไม่ทำอกุศลไว้ในปางก่อนนะไอเจตนากรรมถ้าอกุศลเจตนาไม่เกิดนะวิบากอันนี้ฉันจะไม่ได้รับหรอก ฉันจะต้องทำไมฉันจะต้องออกมาเวลาที่เขาขนด้วยนะ <c oughs> เป็นต้นเนี่ยทั้งเขาจะรู้ปัจจัยเลยหรืออาจจะไม่มองหรืออาจจะหาปัจจัยอย่างอื่นมาแก้ก็ได้แต่โดยทั่วๆไปแล้วคนยังไม่ค่อยโทษตัวเองเนี่ยนะจะไม่ค่อยโทษตัวเองจะไปโทษคนอื่นเข้าหมด